เวลาเป็นตายเสี่ยงของก่อนเข้าภูเขาขไม่มีความหมายนะจะมีความหมายอยู่ใน ант, บุญกับบาปนะให้สอดแสงอาบุญให้มากละบาปให้มากๆสร้างความดีให้มากๆนะเวลาเอาจริงๆแล้วมารวมอยู่หัวใจทั้งหมดนะทุกก็มาอยู่ที่นี่สุงก็มาอยู่ที่นี่ทุกมากสูก ง, pak, กงน้อยสูงมากสูงน้อยจะมารวมอยู่หัวใจทั้งหมดนอกั้นไม่มีความหมายจะมารวมที่นี่ layer. ให้คัดเลื อ, อกจิตใจเป็นผู้คันเลือกองอะไรจะเป็นประโยชน์แก่ตนให้ทำอะไรที่มันจะเปโทษก็มาไปโทษกบับหัวใจตัวเองได้เละให้ให้ตัดออกตัดออกนะ